อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสอิทัพิกขุกยกายานุปัสสีวิหารติอาจาปีสัมปชานโนสติมาวินัยโรเกอภพิชาโทมณ ส, สัน ติดณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเพิ่มภูมกุศลและเจตนาของท่านสาธุชนซึ่งเดินทางมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตั้งแต่เช้าณที่วัดปยุโรงสาวาท เนื่องในโอกาสทำบุญพิเศษและเนื่องในโอกาสที่ว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันพระเป็นวันฟังธรรมญาติโยมมากมายเดินทางมาจากที่ไกลมุ่งหน้ามาที่วัดนี้เพื่อมาสวดมนต์ในภาคเช้า แล้วฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิเราเรียกกันว่าเจริญภาวนาครบเวลาตามกำหนดญาติโยมทั้งหมดก็ อ, ออกไปพร้อมกันตรงบริเวณหน้าพระบสถนี้เพื่อบำเพ็ญทานบารมีตักบาตรทาบุญเป็นภาพที่คุ้นตามีที่แห่งเดียวที่วัดไปยุโวงสาวาด ซึ่งญาติโยมได้ตักบาตรติดต่อกันมาเป็นเวลาหนึ่งปีปีนี้ก็เป็นปีที่สองผ้าที่คนใจบุญตักบาตรทำบุญกันนั้นมีชาวต่างประเทศหลายท่านซึ่งมาทัวร์ที่วัดปรยรวงเขาได้เดินทางไปที่ประเทศลาวมาก่อนไปที่เมืองหลวงคือเมืองหลวงพบา เป็นเมืองหลวงของประเทศลาวแห่งแรกนคร ห, หลวงจริงๆปัจจุบันก็คือนครเวียงจันทร์หลวงพระบางก็ยังเรียกกันว่าเป็นเมืองหลวงเก่านักท่องเที่ยวเหล่านี้เขาก็มาเล่าสู่กันฟังอัตมาได้ฟังจากปากสองสามคนด้วยกันภาพที่ประทับใจเขามากที่สุดก็คือการตักบาตรทำบุญตอนเช้า โดยมีพระเดินมาเป็นแถวแล้วก็มีญาติโยมชาวลาวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศได้ตระเตรียมข้าวเหนียวได้ตระเตรียมอาหารในภาคเช้าตักบาตรถวายพระซึ่งเขาบอกเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดโดยเขาไม่กล่าวถึงเรื่องอย่างอื่นเลย เป็นจุดซึ่งอารมภาพคบคิดพิจารณามาเรื่อยว่าแล้วทำไมประเทศไทยจึงไม่มีภาพประทับใจเหล่านี้บ้างมีเฉพาะบางหมู่บ้านในต่างจังหวัดเวลานักท่องเที่ยวเหล่านี้เขาเดินทางไปถึงก็อาจจะเป็นภาพที่มีให้เขาได้เห็นบ้างในแถบภาคกลางก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้ง เช่นเวลามีนักเทนนิสคนดังๆในไปพักแข่งขันที่หัวหินตอนเช้าพระเนนตามวัดแถวนั้นเนี่ยเขาจะออกบิณฑบาตกัผู้จัดการทีมโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนไทยเขาก็จะไปเชิญชวนให้นักกีฬาเหล่านี้มาตักบาตรทำบุญนักกีฬาดังๆไม่ว่าจะเป็นหญิงเวนชายเช่นนาดาวอย่างนี้ เป็นนักเทนนิสชื่อดังนักเทนนิสมือหนึ่งซึ่งเป็นนักเทนนิสหญิงจากประเทศเบลารุสอาเวนซ่าือปัจจุบันนี้ก็ชอบการตักบาตรมากเขามาประเทศไทยทุกครั้งถ้าหากว่าไม่มาแข่งขันเทนนิสเข้ามาด้วยภาร ก, กิจเสี่ยมตัวเขาจะหาโอกาสไปตักบาตรทำบุญ อาตมาเคยถามนักท่องเที่ยวเหล่านี้ว่ามีความประทับใจอย่างไรเขาบอกมันบอกไม่ถูกตักบาตรกระพระเหล่านี้แล้วรู้สึกมีความสุขใจใจมันเบาไปหมดแล้วก็มีความเบิกบานพูดถึงกันด้วยความสุขด้วยความล่าเริงบันเทิงใจเนี่ยญาติโยมทัสุชนทั้งหลายอาตมาก็สังเกตุทีนญาติโยมมามาวัดแต่เช้ามาทาวัดเช้ากัน มาเจริญภาวนาเป็นการเปลียนใจในการที่จะใส่ทานบารมีญาติโยมประกอบพิธีตัด บ, บาททาบุญยิ้มแย้มจันใสในกันทั้งหมดเราลองลองนึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะขยายอารมณ์จากญาติโยมท่านสาธุชนตรงบริเวณหน้าพระโบสถนี้ให้กว้างขวางออกไปจนทั่วประเทศไทย รับรองได้ว่าบ้านเราเมืองเราประเทศของเรานั้นจะเป็นภาพประทับใจยิ่งกว่าประเทศอื่นๆที่ชาวต่างประเทศเขาได้กล่าวถึงนอกจากนั้นแล้วคุณโยมก็ยังได่มีโอกาสเข้ามาสู่พระวโวจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้สมวัติเช้าสดับกรับฟังพระสมเทศนาแม้บางท่านอาจจะมีนัด ไปที่ตรงนู้นตรงนี้พอได้ทราบข่าวว่าวันนี้ตรงกรันพระท่านก็สละสลัดตัดการนัดหมายไปทั้งหมด <c oughs> เข้ามาสู่พระโบสดเพื่อจะได้สะดับกับฟังบธรรมเทศนาหรือรักษาโบสดกสินคุณโยมเคยถามตัวเองบ้างไหมทำไมจึงให้ความสำคัญกับทานศีลภาวนาโดยปกติธรรมดาถ้าหันกลับไปมองดูชีวิตเมื่อครั้งอดีต ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวเรื่องการเข้าวัดทำบุญประเภทนี้ไม่มีอยู่ในอารมณ์แต่ว่าในปีนี้เดี๋ยวนี้ทำไมจึงมีเรื่องทานเรื่องถินเรื่องภาวนาอยู่ในอารมณ์เกิดขึ้นจากอะไรองค์สมเด็จพระบรมศ า, าสดาสมมาสมุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า การสะสมสิ่งต่างๆจนให้เกิดความคุ้นเคยนั้นท่านเรียกกันว่าเป็นนิสัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากบางท่านเกิดในครอบครัวที่มีผู้นำอบรมฝึกฝนชักจูงให้คุ้นเคยกับทานศีลภาวนามาโดยตลอดเรียกกันว่าเป็นผู้มีนิสัยของทานนิสัยของศีล น, นิสัยของภาวนามาเรื่อย บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจซะก่อนเขาก็จะใกล้ชิดติดติดกับเรื่องทาเรื่องสินเรื่องภาวนาไม่ลำบากเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าบางท่านนี้เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีผู้ น, นําชักจูงให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคุณงามความดีประเภทนี้นั้นก็ค่อนข้างจะลาบากจาจะต้องอาศัยการเวลา แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลำบากเกินนิสัยที่จะทำได้อุปนิสัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนให้ประชาชนชาวโลกได้สร้างขึ้นไว้มีอยู่สามนิสัยด้วยกันนิสัยแรกว่านิสัยแห่งทานนิสัยที่สองคือนิสัยแห่งศีลนิสัยที่สามก็คือนิสัยแห่งภาวนาทานุปนิสัยสีรุปนิสัย ภาวนานิสัยนิสัยทั้งสามประการนี้จะชักจูงให้ชีวิตของเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีทุกพบทุกชาติเริ่มตั้งแต่ได้อาสภาพร่างกายที่สมประกอบผิวพรรณงดงามอวัยวะก็เดิัฐ์ส่วนและเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถดีเพราะอาศัยนิสัยทั้งสามประการนี้ ฐานุูปปณิสัยสีรูปปณิสัยภาวนานิสัยนิสัยทั้งสามประการนี้เปรียกเสมือนเชื้อที่อยู่ภายในชีวิตของแต่ละคนอันเป็นเชื้อที่อยู่ในจิตในวิญญาณของแต่ละคนอุปมาเหมือนเชื้อหวานในเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงนั้นจะเป็นยี่ห้ออะไรจะเป็นเขียวเสวยหรือจะเป็นอะไรก็าตาม ถ้าหากว่าไปได้น้ำไปได้ดินที่สมประกอบนิสัยก็คือรสหวานของมะม่วงนั้นมันจะออกมาเต็มที่เลยทีเดียวเหมือนกับคุณโยมทั้งหลายนี่มีจิตใจเลื่อมใสในทานในศีลในภาวนาไม่ว่าคุณโยมจะเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าหรือลงมาเป็นมนุษย์แต่ประกันได้ว่าไม่ตกไปสู่อบ า, าย ไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานรับประกันได้เลยทีเดียวทำไมจึงประกันได้ก็เพราะว่าทานศีลหรือภาวนานั้นมันติดอยู่ในอารมณ์ของท่านทั้งหลายแล้วเมื่อวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปไปเกิดพบภูมิหนึ่งภูมิใดในจำนวนสามสิบเอ็ดภูมิเนี่ยคุณโยมก็จะได้ความสมบูรณ์ในชีวิตของแต่ละท่าน ยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่ามาเกิดในสุกติภูมิตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปสูงขึ้นไปสวรรค์หกชั้นชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นจาวติงสาชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมาเนรดีชั้นปรนิมมิสาวสวตัตตีถ้าหากว่าบุญพาวาสนาชักนำเนี่ยไม่มีบาปก ร, รมมาตัดรอนเราเสียก่อน เราไปเกิดในสุขติภูมิอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ตามอันว่าอุปนิสัยแห่งทานศีลและภาวนาจะชักพาเราไปพบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปพบวิมานที่ดีไปพบตัวหน้าเทวดาที่ดีไปพบบริวารเทวดาที่ดีถ้าหากว่าเราจะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจะเกิดในประเทศที่ดี เกิดในครอบครัวที่ดีมีพ่อแม่ดีมีญาติพี่น้องดีมีมิตรสหายดีมีเจ้านายดีมีอะไรดีตลอดทำไมจึงไปพบสิน ท, ที่ดีแหละก็เพราะว่าอุปนิสัยแห่งการศีลภาวนามันจะชักพาเราไปอุปมาให้คุณโยมเห็นง่ายๆวันนี้ใส่แล้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนขนาดไหนมเมลงเพึ่งนี้ มันมีนิสัยที่รักดีแมลงพึ่งประเทศไหนอยู่ตรงไหนก็ตามพอได้โอกาสแล้วมันก็จะบินไปหาเกสรดอกไม้ตลอดเราจะสั่งจะสอนให้มันไปคุกคลีกับสิ่งที่ทไม่สะอาดสิ่งที่สกรปรกอย่างไรแมลงพึ่งมันก็ไม่ไปมันก็จะไปคุกเข้าเอาเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นเหมือนกับญาติโยมเช่นกัน ที่เล่นการพนันเขาก็ไปกันเยอะตลอดถึงสศาสนที่อันเป็นโลกีวิสัยเ้าก็ไปกันมากแต่ถ้าไม่โยมไม่ไปเพราะนิสัยเช่นนั้นไม่มีตรงกันข้ามกับโยมบางคนนี่จะชักจูงหรือว่าชักนาให้มาทำบุญเนี่ยโยมมาตักบาทกันหน่อยสิมารักษาศีลกันหน่อยสิมาเจริญภาวนากันหน่อยสิ ตั้งปัญหาถามเลยว่าตักบาตรในวาระอะไรรักษาศีลในวาระอะไรมาสวดมนต์ในวาระอะไรบางคนเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์มาถามหลายคนหลังจากฟังรายการวิทยุท่านเจ้าคุณตักบาตรในวาระอะไรก็ตักบาตรในวาระที่ญาติโยมทุกท่านจะต้องตายจากโลกนี้ไม่วันหนึ่งก็วันใดก็ต้องตักบาตรไว้ก่อนโยมก็เลยวางโทรศัพท์ ตักบาทททำบุญต้องมีวาระด้วยก็เลยบอกว่าก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปทำบุญไว้ก่อนโยมพอได้ยินคำว่าตายเะนั้นเองบอกว่าไม่เป็นมงคลเลยแล้วใกล้วันตุดจีนไม่ควรจะฟังเรื่องนี้อาอันว่าอุปนิสัยดีๆเช่นนี้มีอยู่ในตัวของเราแล้วถามว่ามันเสื่อมได้ไหมเสื่อมได้เพราะสรรพสิ่งนั้นเปลี่ยนไปได้เป็นอนิจจังได้ น้ำมันที่เราเติมเข้าไปในถังรถยนต์ไม่ใช่เติมแล้วมันจะเต็มตลอดน้ำมันหมดได้เหมือนกันเช่นเดียวกับณิสัยอย่างฌานศีลนละภวนานี่หมดได้เหมือนกันถ้าเราไม่เพิ่มเติมบ่อยๆแล้วมันก็หมดได้เหมือนกันยกตัวอย่างว่าการทําบุญด้วยการบำเพ็ญทานเช่นการตักบาตรนีถ้าหากว่าเราทาแล้วจนชินขาดไปรู้สึกไม่สบายใจแล้ว มีญาติโยมหลายท่านเลอเกินขอร้องว่าให้จัดต่อเธอะตักบาตรทา น, นี่ยังไงโยงก็ชอบไม่มีใครมาโยมก็จะมานี่แสดงว่าจิตใจนะั้นมีความเบิกบานจุบการทำทานและบางคนบางท่านนี้สมาทานศีลตลอดสมาทานศีลต่อหน้าพระประธานที่บ้านนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ปานาติปาตาเวรมณีอตินาทานาเว บางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเวลามันในน้อยจําเป็นจะต้องออกจากบ้านจะสมาทานอย่างไรแหละพูดคําสองคําแล้วมาให้ครบห้าข้ออาตมาก็บอกว่าโยไม่ยากหรอกโยตั้งใจเอาไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะรักคนอื่นสงสารคนอื่นเมตตาคนอื่นจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเลยและคนสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนก็คือตัวข้าพเจ้าเอง อธิษฐานใจว่าอย่างนี้โยมจะได้สินทั้งหมดห้าข้อเลยสินห้าจะมีหมดเลยทีเดียวเพราะในสินห้านั้น ญ, ญาติโยมพิจารณาดูดีๆเถอะเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้รักคนอื่นทั้งหมดถ้าเราไม่ฆ่าเขาไม่รังแค่เขาก็แสดงว่าเรารักเขาเลยละ่ะทั้นสินห้าอยู่ตรงนี้อ้าจะภาวนาทำยังไงดีแล้วท่านอยู่คุณภาวนาก็ไม่ยากหรอก หัวใจของภาวนาก็คือว่าเอาจิตมากำหนดรู้ดูอารมณ์ของตัวเองขณะนี้ใจโกรธใครไหมใจเกลียดใครไหมมีอาคติต่อใครคนใดหรือไม่ถ้าว่าจิตยังเป็นเช่นนี้อยู่สแสดงว่าภาวนาลำบากความดีด้านภาวนามันจะด้านไปเหมือนกับข้าวรีด เจ้าว่าลงไปในนาแห่งไหนมันก็ไม่งอกงานเพราะอะไรเพราะใจจะมีความอาคา่าชิงชังคนอื่นท่านจะบอกว่าทานศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานพระภาวนาตรงนี้จิตเขาเราคิดรักคนอื่นให้มากที่สุดไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชาติไม่เลือกศาสนาไม่มีขีดท่านไม่มีวันนะ เราเห็นว่าบุคคลในโรคนี้เป็นเพื่อนร่วมเกิดเก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทางนั้นพอจิตมันคิดไปในแนวทานองนี้เท่านั้นจะทำให้จิตของเรานั้นนะมันสลัดเรื่องรักมันสลัดเรื่องชังจิตของเรามันจะมองอยู่ด้วยสติปัญญาคิดต่อเขาให้เป็น กำหนดท่าทีต่อคนอื่นให้เป็นและช่วยคนอื่นก็ช่วยให้เป็นด้วยเขาเรียกว่นน า, ยย า, านิสัยอัญชันสินภาวนาท่านทั้งหลายลองนักดูว่าบางยุคบางสมัยที่บ้านเมืองพวกเราร่มเย็นเป็นสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคลาการที่สามคนไทยร่ำรวยเจ้าขุนมูลนายก็ร่ำรวยเพราะเป็นยุคเจ้าสัวเจ้าสัวเกิดขึ้นในสมัยนั้น มาจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่คนไทยเริ่มตื่นตัวทางการศึกษามีการเรียนภาษาอังกฤษเพราะาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระองค์ได้ให้แม่มคนหนึ่งมาสอนภาษาอังกฤษกั บ, บรพระบรมพระราชโอรสพระราชธิดาธ์คือแม่มแอนนาคนไทยตื่นการศึกษาตั้งแต่ในรั้วในวังมาจนถึง ต่างจังหวัดก็มีการตื่นการศึกษากันในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่คนไทยร่มเย็นเป็นสุขกันมากทางฝ่ายพระศาสนาคือพระผู้ใหญ่นั้นมีท่านเจริคุณสมเด็จพระธาจารย์โตเป็นพระเถระไยขับเคลื่อนสินธรรมละดมสินธรรมให้แก่สังคมวัดไปรโรงสาวาทมีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งเกิดร่วมสมัยกับท่านเจริคุณสมเด็จพระอาจารย์โตคือเจ้าวาดรูปที่สาม ชื่อว่าท่านจ้าปรคุณสมเด็จพระพุทธโฆสาจนาิจีช่วยกันเทศนาสั่งสอนประชาชนเรื่องใหญ่ๆที่ท่านเทศสอนประชาชนในครั้งกนูนไม่ใช่เรื่องลึกลั บ, บซับซ้อนเลยสามเรื่องนี่แหละเรื่องชาเรื่องศิลเรื่องภาวนาท่านจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั้นตั้งเป็นหัวข้อในการเทศไม่ว่าจะเป็นเทศที่ไหนท่านก็บอกวันนี้จะเทศสามเรื่อง หนึ่งให้ชานก่อนกินสองรักษาศีลก่อนออกจากบ้านสามเจริญกรรมฐานก่อนนอนสามหัวข้อนี่แหละแล้วคนไทยฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันเอาจริงเอาจังถึงขนาดมีการปลูกสาาหน้าบ้านตั้งเป็นโรงทานคนเดินทางผ่านไปผ่านมาอยากจะกินอะไรมีหมดทุกอย่างมีตุ่มใส่น้ำแช่ดอกมะลิให้มีกลิ่นหอม แล้วก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมมีส้มโอบุรมากลากไม้มี ย, ออยุะแยะไปหมดใครอยากจะกินก็กินนี่คือความอุดมสมบูรณ์ในครังกันนู้ให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนออกจากบ้านก่อนจะออกจากบ้านเช้าสายบ่ายเย็นตั้งจิตอธิษฐานใจว่าจะรักคนอื่นจะไม่ไป ร, ร่วงเกินคนอื่นเด็ดขาด จะไม่กระทําการใดๆที่จะทําให้คนอื่นก็ต้องชอกช้าน้ําใจเป็นอันขาดจะไม่พูดให้ใครช้ําจะไม่ทําให้ใครเครืองเลยคนเขาปฏิบัติกันอย่างนั้นภาวนาก็เหมือนกันก่อนหลับก่อนนอนก็กราบหมอนห้าครั้งช้าๆกราบอย่างมีสติตั้งแต่พนมมือขึ้นก็มีความรู้สึกตัวว่าขณะนี้กําลังพนมมือหรือพนมมือหนอก็ได้ เสร็จแล้วก็ค่อยวางมือลงกับวางลงหนอเสร็จแล้วก็พ้นศีรษะลงหนอเสร็จแล้วประจดฝ่ามือหนออะไรอย่างนี้เป็นต้นกำหนดรู้ดูความเคลื่อนไหวในทางกายทุกกิริยาบทที่เป็นเรื่องของภาวนาพูดถึงเรื่องภาวนานั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสด า, า, าได้ตรัสไว้ในสติปัฏฐา น, นสูตรซึ่งอรรมาภาพได้ยกขึ้นเป็นหัวเป็นอุเทศหัวข้อในเบื้องต้นว่า อิทาพิกุกกาเยกาญานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินายโรเกอภิชาโทมณสังซึ่งแปลว่าภิกษุควรตามพินิษพิจารณาดูความเป็นไปในกายให้พิจารณาตามความเป็นไปในกายอยู่บ่อยๆค อ, อยมีความเพียร คอยมีสติสัมปชัญญะ <c oughs> จะสามารถถอนอารมณ์ดาอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีในโลกนี้เสียได้ซึ่งพงฟังเราก็ยังจะไม่ชัดนะคําคว่าพิกขุนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงพระในโยมนะหมายถึงประชาชนทั้งหมดเลยแปลว่าผู้ที่เห็นภัยอันเกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทั้งหลายก็เรียกกันว่าภิกขุ ภิกษุก็ปแปล ว, ว่าผู้มีปัญญามองเห็นไผยเหมือนกับสิทธัตถะที่มองเห็นไผยที่ได้จากความแก่ความเจ็บความตายในวันที่พระองค์นั้นประทับรถแล้วเสด็จไปในอุทยานไปพบภาพต่างๆแล้วทำให้พระองค์ทรงหวั่นวันทำให้พระฤาัยคนคิดพิจารณาไปอย่างหนักภาพแรกที่พระองค์ทรงเห็นก็คือคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วย เดินก็ไม่ไหวงบงบเงินเงินพระองค์ก็ถามในันนะวันนั้นอะไรเพราะว่าอยู่ในรั้วในวังนี่ <c oughs> ถกูกกีดกันไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เลยคนแก่ก็ไม่เห็นคนเจ็บก็ไม่เห็นคนตายก็ไม่รู้เรื่องพอพระองค์เสด็จไปเท่านั้นก็ทรงเห็นภาพทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยถามันนะวันนั้นคืออะไรคนแก่ของทเจ้าค่ะเฮ้ยแล้วทำไมในลัว้วในวังไม่เห็นมีละ่ะ ก็นึกเจ้าสุนเด็จพ่อมากันไม่โร่งเห็นไม่เจ้าค่ะแล้วอย่างช น, นะอย่างเราต่อไปจะแก่อย่างนี้โอ้แน่นอนพร่เจ้าค่ะช น, นะเป็นสหายอ้าวเสด็จไปอีกก็ไปพบคนเจ็บนอนอดครวนโอ้ยโอ้ ย, อยู่ลิ์ทั้งหวานเจ็บแล้วก็ไปพบคนตายทําให้พระองค์ทรงสะดึ้งเลย ตื่นมาจากความลหลงไหลนุ่งแมนชีวิตจะไม่พบสิ่งทั้งหลายหรือจะที่ไหนได้เราก็จะต้องไปเชิญกับความแก่ความเจ็บความตาย <c oughs> ในที่สุดพระพุทธเจ้าตัดสินพระไัยออกบณวนษพระพุทธองค์ในสมัยที่เป็นศิทธิสนั้นยังมีพระปัญญามองเห็นภัยที่ได้จากความแก่ความเจ็บความตายนั่นละเป็นพิขุภู้ใดใครก็ตามนะฮะ ที่สามารถร่วงรู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นเช่นนี้ร่วงรู้ในทุกขณะบุคคลผู้นั้นนี้ชื่อเป็นภิกษุแล้วผู้ที่มองเห็นโ่อรู้ความเกิดแก่เจ็บตายนี้ควรปฏิบัติอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญสติกาเยกายานุปัสสีก็แปลว่าตามดูเพื่อให้รู้กายในกายกายในกายนี่คืออะไรคุณโยม กายในกายก็คือลมหายใจของเราที่เลยลมเนี่ยเป็นกายพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากายกายเยก็แปลว่าในเรือนกายในสภาพของเรานี่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เรียกว่ากายพิจารณาดูลมเนี่ยที่มันไหลเข้าไหลออกแต่การพิจารณานั้นต้องมีอาตาปีคือมีความเพียรอาตาปี มีสติมาก็คือละลึกรู้อยู่เสมอแล้วลุกลื้อมาที่ตัวนี่เป็นสติถ้าล้ำลึกนึกไปนอกตัวเนี่ยไม่จัดเป็นสติในทางพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าสติตเตลึกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสติในทางพุทธศาสนาที่จะกรร่อมหัวใจเนี่ยให้มาอยู่ในเนื้อในตัวก็เหล่านี้จะไม่คิดอะไรไปนอกนอกตัวจะไม่กำหนดไปนอกตัว ทุกครั้งที่เราต้องการที่จะได้สติสัพชัญญะที่ดีที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาในการพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงต้องใช้สติญญในตัวกำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติมีสัพชัญญะมีความเพียรพระพุทธเจ้าตรัสวิวยยะจะสามารถถอนถอนอะไรอภิชาโทมนัสสัง อภิชาก็แปลว่าอารมณ์ยินดีโทมนัสสังก็คืออารมอารมณ์ยินร้ายคือไม่ยินดีเราแปลก็คือว่าเรื่องชอบอย่างหนึ่งเรื่องชังอย่างหนึ่งซึ่งแต่ละวันนั้นมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยคุณโยมมีอะไรกระทบตาบางครั้งนึกถึงไปในเรื่องทางชอบมีอะไรมากระทบตาบางคราวนึกไปในเรื่องทางไม่ชอบ ชอบกับไม่ชอบนี่แหละคือตัวอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยไม่เข้าถึงฌานไม่เข้าถึงคุณนมความดีชั้นสูงแต่ถ้าเกิดมีสติมากำหนดรู้ดูลมหายใจเขาออกแล้วคอยท่านทั้งหลายลงพิจารณาดูเถอะว่ามันไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบจิตของเรามันอยู่เหนือความชอบและอยู่เหนือความชังเพราะมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับสัตว์กับบุคคลกับตัวตนกับเราเขา แล้วในขณะที่กําหนดพิจารณาไปนั้นถ้าหาว่าจิตของเราไปพันอยู่กับใครก็ตามหน้าที่มาโผล่หน้าน้องมาโผล่จิตมันจเจลิดไปแล้วก็ตะล่อมจิตมาโดยอาศัยเมตตาก็ไปกํากับนึกเห็นหน้าของใครภาวนาในใจไปด้วยข่อยมีความสุขข่อยมีความสุขอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรอย่าได้เจ็บป่วยอย่าได้เจ็บป่วย น้อมนึกพิจารณาไปอย่างนี้ <c oughs> เรียกกันว่าเป็นการเจริญกายานุปัสนานอกจากกายานุปัสนาแล้วยังมีเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาทั้งหมดนี้คืออะไรคือจุดเกิดแห่งสติอันจะเป็นเครื่องมือในการกำจัดความยินดีและความยินร้ายให้จิตของเราเน้นมีความนิ่ง และนิ่งอยู่ในอารมณ์ต่างๆเช่นที่ลมหายใจเขาออกได้นานๆจนเกิดฌานเป็นสมาธิขั้นสูงและในที่สุดก็ทำให้เกิดปัญญาญาณในการที่จะประหารความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนลงได้อย่างเด็ดข า, าดญาติโยมท่านใดจะสามารถพิจารณาได้เช่นนี้มีความสุขในวันนี้เลย ไม่ต้องรอความสุขในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดว่าเราจะมีความสุขในวันเมื่อหรือนี้แม้วันนี้ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะใจไม่ถูกรบกวนด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายแต่ว่าจิตนั้นจะมีสติปัญญาเป็นเพื่อนเห็นสิ่งต่างๆโปร่งลงได้วันนี้อนิจจังทุกขังอนาาัตตาเป็นของมันเช่นนี้เอง มีสิ่ ง, งต่างๆมากระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจสติปัญญามันไวมากมันเกิดขึ้นมารับแทนวันนี้อันนี้จังทุกของอาาังมณตามันเป็นของมันเช่นนี้เองฉะนั้นจิตของเราก็จะได้ไม่ถูกชักจูงทําให้เรานั้นคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างทําให้เกิดความเด็ดเหนื่อยนี่แหละคือความอัศจรรย์คําสอนขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าวาดเรื่องการเจริญสติ ซึ่งอาตมาภาพก็ใช้เวลาชี้แจงแสดงมาให้สั้นทั้งหลายได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อที่จะได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาในชีวิตประจำวันของเราื่อต่อไปเทศนาวาสานในอวสานการเป็นที่จบรงแห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์จงได้กำจัดทุกจเจริญสุขสิศักเป็นหลักฐาน ขอเดชะพระธรรมรัตจึงช่วยกำจัดพานให้เป็นสารปุดผ่องพ้นผองไัยขอเดชะพระสังครัตจึงได้กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสึกชนจนเกินไขขอเดชะพระัตนตรายขอญาติโยมทั้งหลายเจริญวัยเจริญสีทวีคูณขอให้ชีวิตท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสวัสดีมีชัยประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นนั้นจงฟันสาเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการ เทศนาบัญหารมีในดังชี้แจงแสดงมาขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี